อาตั้งใจฟังนะทีนีนะลุงพ่อจะได้ฝ่ารถเรื่องงานพวกเราก็ปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งเมื่อปีก่อนๆพวกเราก็ได้จัดงานวันครอบครอบวันมรณภาพคุณแม่ของเราคุณแม่ของเราท่านมารณภาพวันที่สิบเจ็ดสิบแปดมิถุนาแต่พวกเราก็ทำมาหลายปี แต่พอทำมาแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนในถิ่นของพวกเราบ า, บางปีฝนก็มาหัวปีเดือนพฤษภาฯก็มาแล้วเป็นช่วงที่กำลังปัก ด, ดำยุ่งยากมากเดือนมิถุนาเพราะนั้นหลวงพ่อก็ได้นำมาคิดนำมาพิจารณาดูว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงก็เลยได้ไปชมกับคณะสงฆ์และคณะทายาจโจิโยม เห็นพร้องต้องการว่าน่าจะเป็นเดือนมีนาจะบอม ก, กว่าเพราะยังไม่หมดหน้าหนาวแล้วก็ยังไม่เข้าหน้าฝนจึงได้ไประชุมกันก็เลยได้ตกลงกันว่าเอาอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีมาได้สองปีแล้วจึงได้จัดงานวันนี้นะ อ, อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาแต่หลวงพ่อว่าผมพ่อก็เลย เออเอาดีเข้าตัวสักหน่อยหลวงพอ่อพวกเราเป็นลูกหลานที่ดีนะทำไมจึงเป็นว่าจึงถือว่าเป็นลูกหลานที่ดีเพราะว่าถ้าเราคุณแม่มราณาภาพวันที่17บเ็ดมิถุนาถ้าเราไปทำเดือนกรกฎ า, าและสิงหาไปนู่นนะ่ะอันนี้แปลว่าถ้าเป็นลูกหลานก็ลูกหลานทะเลทลายเหมืนกันแตอันนี้พวกเราเนี่ยเป็นลูกหลานชั้นดีเหมืนนจ่ายหนี้ก่อนเหมนนแ แน่จ่ายนี่ก่อนให้ข้าว่ายังไม่เดือนถึงเดือนมิถุนาเราทําบุญก่อนแล้วเหมนันนี่ยเนี่ยว่าลูกหลานชั้นดีเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราคิดคิดดูให้ดีก็แล้วกันนะถ้าเขามากู้นี่ยึงศีลเราเนะ่ยเขามาใช้นี่ก่อนเนี่ยเราก็ดีใจไม่ใช่หรอนะเอีอันนี้คุณแม่ผมเหมือนกันนั่นแหละพวกเราทําบุญลาลึกถึงพระคุณของท่านถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็คงจะดีใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราจริงเนี ร่วมกันทำบุญก่อนวันบรรละับะภาพของท่านจึงในจัดงานขึ้นมาในวันนี้ก็รู้สึกว่าทุกปีที่ผ่านมาหลวงพ่อเองก็เห็นพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกโมโลูล่าวทั้งส่วนราชการบางปีก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานอย่างปีนี้ก็ท่านไม่เป็นหรือเืเ่อ ป, ปีที่แล้วในกะทีท่านกเกษียณไปแล้วท่านก็ได้มาเป็นประธาน แต่บางปีท่านกิทุลาท่านก็ไม่ได้มาแต่ว่าพอท่านมีผูท้ที่พอที่จะมาได้ท่านก็มาเป็นประธานให้แก่พวกเรา ร, รู้สึกว่าพวกเราได้รับความอบอุ่นจากส่วนราชการอย่างมากไม่ว่าระดับระดับเล็กระดับระดับใหญ่ระดับกลางเราขอร้องไปทางไหนก็ให้ แต่รับความสะดวกสบายทั้งไฟฟงไฟฟ้าทั้งถนนห น, นทางเออทั้งนงทั้งน้ําอะไรมากมายที่เราขอไปก็ได้รับความตอบรับจากพี่น้องทุกหมู่ทุกเหล่าเอ่อพนันหลวงพ่อเองในา น, นามคณะสงฆ์ที่เป็นจะว่าเป็นประธานวุฒิชัยที่ว่าเป็นผู้รีเฟรชวุฒิชัยที่ได้รับความอบอุ่น จากคณะสัตยาติยมหลวงพ่อเองจึงขอขอบคุณขออโมธนาขอบคุณลึกๆว่างานเน่ขอบคุณอย่างจริงจังและจริงใจด้วยที่เห็นพี่น้องสัายาติโยมมาร่วมงานด้วยความตั้งกตั้งใจโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งโรงทานพวกเราทั้งทั้งหลายที่แรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีมากถึงขนาดนี้พอเอาเข้าจริงๆถามๆดูผู้เกี่ยวข้องก็ว่า โรงทานประมาณสี่สิบกว่าโรงแล้วนะหลวงพ่อแต่ยังไม่ค่ำนะแต่ก็ทยอยกันมาเรื่อยๆอยู่ว่างั้นแต่ที่แรกก็คิดือว่าประมาณสิบโรงทานหลวงพ่อเออสิบโรงทานก็น่าจะเพียงพอแต่ก็เอาหนักๆสักหน่อยแต่พอมาถึงสี่สิบโรงทานแล้วหลวงพ่อว่าโรงทานเกินคนแล้วสิคนหากินไม่พอแล้วถ้าอีกอย่างหนึ่งพวกเราก็ มารักษาสินเนคคัมมะอีกต่างหากไม่ทานข้าวเย็นอีกต่างหากเขาคงจะทุนค่ า, าหูอาหารไปเยอะๆทีเดียวแต่ถึงยังไงผงในเช้านะยัค่อยเบิกถอยหลังก็ได้นะ เ, เบิกถอยหลังก็ได้ก๋วยเตี๋ยวมีพร้อมเขาคงจะไม่เลิมจะไม่ยกเลิกเพราะนั้นโดนหลักเที่ยงโดนหลักจริงจะยกเริกนะขอให้พวกเราทุกๆท่านตะทางอ์ตั้งใจประคุติปฏิบัติศนลธรรม หาโอกาสที่นีหาได้ยากจริงๆหลวงพ่อว่านะว่าเพราะวาพวกเราได้มาทาบุญในปีนี้หลวงพ่อได้ยินมาเห็นพี่น้องชาวมุกดาหารอำเภอคำชีน้องสูงนนคมคำส้อยในที่นี้ดงรลวงอุชินาลายที่งานของหลวงปู่จามการนุกปูจามหลว ง, ง, งพ่ อ, อ, อ ก, ก็ได้พูดกับคณะสัตายาญาิโยมทุกบูเหล่า ว่ลวงปู่จามในท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดจริงๆแต่สมัยก่อนหลูงพ่อเองก็เข้ามาอยู่กับท่านตั้งแต่ปีสองพันสี่สองพันห้าร้อยสิบเอ็ดสิบสองนั่นน่ะอยู่กับท่านท่านเป็นผู้มักน้อยสัจนโดนท่านไม่รับกระทั่กระถินนะกระถินไม่รับกระทั่งทุกวันนี้เลยเพรางั้นถ้าว่าใครจะเอากระถินมาทอดเออเอามาเข้ามามาวางไว้ที่นั่นแหละเอออย่าไปทําให้มันเป็นเรื่องเถือนกระเลิ อย่าไปทำอย่าไปบอกกล่าวคนอื่นมาให้มากถ้าคนอื่นมาแคนอื่นทิ้นบ้านอื่นบ้านไกลามามาถึงหมู่บ้านไม่มีอาหารจะกินเดี๋ยวเขาจะล้มวัวล้มควายเดี๋ยวก็จะกินเอาเล่ามาเลี้ยงกันมันเป็นบาปมหาเหลาเอยาอย่าทำโดยมากหลงอาเนี่ยหลวงปู่จามท่านจะพูดลักษณะอย่างนั้นเพระาะฉะนั้นท่านจึงไม่มีคาว่าจัดงานใหญ่ไม่มีเลยเหมือนกันท่าน หลวงพ่อดูมาตลอดแต่พอมาคราวนี้ท่านอายุร้อยปีได้ไห อ, อายุร้อยปีปากไม่ไปไอไม่ดังไรทีนี้พวกเราก็เลยได้พวกเราปากไปไอดังบัดเราก็เอเอเอาจัดร้อยปีหลวงปู่ดีไม่ไหวหวังก็ได้ปลาล้มกับพวกน้องพวกพวกพวกลา น, นพวกได้เอ้าเห็นด้วยนะ่ะ ถ้าจะจัดลวงพ่อเอาอย่างไรก็เอาอย่างนั้นแหะเอนกันลงพ่อก็ปบัติกั น, กกนอเอาไว้เกิดเลยได้จัดงานวันเกิดของหลวงปู่แต่ตามไม่จริงไม่ใช่วันเกิดที่แท้นะวันเกิดของท่านเองวันที่19้พฤษภาพ่หาปีนี้53 53าเลยเพราะว่าถ้าว่าเป็น2 4ง0ัสี่สันาิบสาเป็นหนึ่งปีลเดะแต่ตามไม่จริงสอง0 เออพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสองวันที่สิบเก้าร้อยปีพอดีแต่นี้เกินมาแล้วเกือบเป็นปีแล้วนะหลวงปู่จามไปว่าอายุของท่านจะร้อยกัอบหนึ่งปีละแฟนยังได้จัดงานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพระสงฆ์ก็มากพี่น้องประชาชนก็อุ่นนา้าฝากทังหลวงพ่อเห็นโอ้ภาคภูมิใจอย่างมากที่เห็นคณะสัตยาญาติโยมมาร่วม ง, งาน แต่หลวงปู่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรอย่างที่ว่าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นท่านก็คงจะภูมิใจและพอใจกับลูกกับหลานที่เข้ามาร่วม ง, งานในวันนั้นตลวงพ่อเองก็ภาคภูมิใจแล้วก็พอจัดงานผ่านไปแล้วถ้าจะว่าเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยมากพอสมควรเพราะว่าได้ใช้กำลังหลายอย่างแต่ท่านกำลังทรัพย์ก็กลังคนทั้งกำลังความคิด กำลังภูบาอาจารย์มาจากจาตุระเทศมากพอสมควรแต่พอมาพอจบแล้วทนี่งานของคุณแม่ขึ้นมาอีกสรุปแล้วคือในภูเขาภูพานกับภูภูเขาภูผาปูนเนี่ยมันกออ็มีแต่เรื่องงานเลยในในช่ว ง, วงนี้มันเดือนละงานเดือนละงานเลยงานมีแต่งานช้างทางนั้นเลยเอออันนีกก็หลวงพ่อเออเอา แต่ถึงยังไงยังไงก็รบกวนท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอและก็หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยทุกเหล่าต่างหากเพางั้นแต่แต่ถึงยังไงก็ข อ, อให้พวกเราทุกๆท่านเลยให้จิตใจเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกุศลน้อจะไปคิดเป็นอย่างอื่นหลวงพ่อไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นนะหลวงพ่อเองทําอะไรขึ้นมาก็เพื่ อ, อประเทศเพื่อชาตเิเพื่อพี่น้องประชาชนทุกมุมทุกเรา พวกเราถ้าว่ามีศีลมีธรรมมีทานมีศีลมีภาวนาอยู่ด้วยกันแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมนั้นหลวงพ่อคิดว่านะเพราะเห็นนั้นหลวงพ่อจึงได้จัดงานนี้ขึ้นมากเพื่ อ, อพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคู่ทุกคนนั่นแหละถึงจะยากลาบากเมื่อผ่านไปแล้วพวกเราสบายใจสบายอกสบายใจเพราะได้ ทำบุญในสร้างบุญสร้างกุศลกับหลวงปู่หลวงตากับคุณย่าของพวกเราคุณย่าของพวกเราเป็นผู้หญิงหลวงพ่อเคยพูดกับคณะศรัท ธ, ธาญาติโยมถ้าผู้ใดก็ตามเน้อตกทุกข์ได้ยากมีความไม่สบายไม่สบายอกไม่สบายใจในเรื่องอะไรก็ตามทุกอกทุกใจหรือว่าปรารถนาสิ่งไหนที่ว่ามันเอครับแค้นแน่นใจว่างั้นเหอเจ็บไข้ได้ป่วย ถ้าหากว่ามาเอาดอกไม้ทูกเทียนมาบูชาบอกมาคุณขอพรจากคุณแม่เนอะเออคุณแม่เอ้ยผู้ข่าขาวนี่ไม่สบายอกไม่สบายใจเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเนอะอขอให้บรารมีของคุณแม่คุ้มครองด้วยเถิดถ้าว่าไม่เหลือบา ก, กว่าแรงจริงๆเป็นธรรมนะเออถ้าว่าเป็นที่เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมคุณแม่จะไม่ช่วยนะถ้าว่าสิ่งไหนที่เป็นธรรมเนี่ยคุณแม่เออ เออท่านก็นจะมีเมตตาช่วยพวกเราเนีเพราะนั้นถ้าเราพวกเราไม่สบายใจตีเป็นธรรมนะตกทุกข์ได้ยากเป็นธรรมไม่สบายใจให้พวกเรามาขอพรจากคุณแม่เพราะคุณแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะีให้พรง่ายเลยเออเหมือนกับเราขอเงินจากแม่อย่างนั้นแหะเอเราขอเงินแม่คุณแม่ครับผมขอเงินไปไปซื้อขนมหน่อยครับแม่ถึงท่านจะดูดาว่าการจะเค้อขนาดไหนท่านก็นยังค่อยเอาให้อยู่นะ ไม่เหมือนพ่อเลยถ้าพ่อเนี่นะครูอีต่างหากเนี่ยเหมือนเดิมเพอเพอเนี่ลบหนีปักใหญ่ทันที่ไม่ทันอีกต่างหากเนี่ยคุณแม่เนี่เป็นผู้มีเมตตาต่อพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นเวลาเวลาเราไม่สบายใจจริ่งไหนก็ให้มากาบพรขอพรจากแม่นะพวกเราทุกๆท่านนะถามลองจิตดูสิลองจิตเชื่อจริงๆนะเชื่อแม่ของท่านนะ เพราะนั้นวันพุ่งนี้นะท่านจะมาทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนซื้อที่ดินถวายแม่ของท่านอีกเราะนั้นทีอซื้อที่ดินถวายคุณแม่เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกคนลูกหลานทุกคนได้มาสร้างบุญสร้างกุศลมาไหว้พระสวดมนต์มาปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและบูชาพระคุณของคุณแม่เป็นบุญเป็นกุศลนนะ่ากนัตตาญาิโยม ทำด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆถ้าทําด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆนะบุญกุศลจะเข้ามาสู่จิตชัวช่วช้าส่วนใหญ่ของพวกเราเบุญกุศลนั่นแหละนะพอใจของเราเนี่ยเป็นคลังนะใจของเราเป็นคลังของบุญนะเป็นคลังของบาปอย่างหลวงพ่อไปพูดที่วัดหลวงปู่กวงเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อวนะ่ตายแล้วไม่ศูญนะตายแล้วเกิดอีกตามหลักของพุทธศาสนาเพราะพระเดชเจ้าท่านไปฝนฟ้าไปศึกษาไปอยู่ในป่าถึงหกปี ทองหลุดลองถูกรองผิดลองถูกลองผิดลองถู ก, ถ ก, ถ ก, ถ ก, ถกไปศึกษาไปค้นคว้าไปนั่งภาวนาตึ้งหกปีจากนั้นวันเดินหกเฟนพระองค์นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตงรงดาลงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพอกําหนดลมหายใจท่านไม่คิดไปในอดีตท่านไม่คิดไปในอนาคต ใจใของ อ, องค์อยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้อยู่ที่ปลายจมูกกว่างั้นเะรอความรู้สึกของพระ อ, องค์อยู่ที่ปลายจมูกไม่ได้คิดถึงอดีตไม่ได้คิดถึงอนาคตจิตของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพระ อ, องค์เกิดญาณทัศนาเกิดชาญพระ อ, องค์จึงน้อมจิตล้ำลึกในอดีตชาติว่าชาติที่แล้วนี่คืออะไร ถ้ายังว่าปุบเทเนวาสารรัติญาณและลึกชาติผลหลังได้คือเหมือนระลึกถึงเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานได้มีไหมอาทิตย์ก่อนมีไหมเดือนก่อนมีไหมปีก่อนมีไหมปีก่อนก่อนมีไหมชาติก่อนมีไหมท่านลึกถึงชาติผลหลังได้เป็นร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติพจญานทัศนะชาญของพระองค์ละเอียดอ่อนมากเพราะนั้นพระโพธิ์ตรงจริงบอกว่าตายแล้วไม่สูญ เพราะดันั้นถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนานับถือพระธรรมคำสอนสัมสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราให้เชื่อในว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อะไรในวันเดือนหกเพนนนั้นปุเพในวาสานุจติญาณและลึกชาติผลหลักได้พอถึงพอถึงเทื่ยงคืนจุตูปปาแต่ใหญการจุดจิการเกิดการตายของสัตว์เรานี่มาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ อ่าอย่างหลวงพ่ออินเนี่ยมาจากที่ไหนจึงมาเกิดที่นี่แห่งพุ่แม่ท่านก็บอกเออเนี่ยมาจากที่นู่นที่นี่เนอมาเกิดหลวงพุ่นแม่ก็บอกให้ฟังอย่างนั้นแล้วองคจากที่นี่จะไปที่ไหนอันนี้ก็พระพุทธองค์ก็รู้อีกเรียกว่าจุตูปปาตญาติการที่จะมาเกิดที่นี่มาเพราะอะไรทำกรรมดีที่ทำกรรมชั่วถ้าเราไปฆ่าคนอื่นเขาไปเบียดเบียนคนอื่นเขาไปทำกรรมชั่วมาแล้วก็มาเกิดที่นี่ มาก็มาเกิดเป็นคนทุกข์ยากลําบากหูหนวกตาบอดบ้าใบเสียจิตเป็นไปได้ทางนั้นไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ก็ได้เพราะเหตุไรเพราะเราทํากรรมไม่ดีเอาไว้ถ้าเราทํากรรมดีเอ่อทำกิีกรรมดีชาติที่แล้วมาเกิดที่นี่ก็มาเกิดเป็นคนที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเกิดมาก็ร่ำรวยโชคดีเอออะไรอะไรลาภพึ่งไปหมดพ่อบุญพามาเกิด พระพุทธเจ้าท่านก็รู้อีกว่าจุตูปะปาตาญาพอถึงโจนจะจะสว่างเลยพระพุทธ อ, องค์ก็บอกว่าเอใจของเรานี่มาจากไหนมาเกิดแหมทำไมจะมาเกิดวุ่นวายอยู่อย่างนี้ทําไมจะมาเกิดแหมสูงต่ำต่เมื่อเกิดเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติเพราะอะไรพระพุทธ อ, องค์ก็ได้ทิจารณาด้วยธรรมของพระ อ, องค์ด้วยปฏิจจสมุปบาท อวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจะยาวิญญาณังอท่านดูใจของพระ อ, องค์แล้วทิศพระ อ, องค์บอกว่าใจเนี่ยมัน ม, มันเกิดมาจากความโง่มันสุดอยู่เพียงแค่นั้นเกินกว่านั้นไม่ได้เหงั้นกันเถอะผู้ชมว่าเกิดมาจากความโง่เลยไม่ไม่ไม่เลยกว่านั้นไปอีกเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์เอาวิชชาปัจจะยาอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่ารา อ, อวิชชา เ, เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขาราปัจจยา ว, วิญญาณนะสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนะท่านไล่ไปเรื่อยนะจนโศกปริเทวทุกขโทมณัต ส, สุร้องให้เกิดความร้องให้ที่ไรรำพันทุโกโศทั้งหลายทั้งปวงมันมาจากต้นตอแห่งความโง่เพราะฉนั้นพระพุทธองค์ได้ชำระเพราะใจของพระองค์ในคืนวันนั้นวันเดือนวันเดือนบ่งเห็นชำระ ใจของพระองค์ด้วยตประธรรมคือศินสมาธิปัญญามักแปะเนีนมักแปคือศินสมาธิปัญญาชําระใจของพระองค์ใจเขาพระองค์จึงบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะเพราะพระองค์ ร, ร, รู้ได้โดยพระเอกพระ อ, องค์เองว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราไม่มาเกิดอีกแล้วพราะใจของเราบริสุทธิ์แล้วสิ่งที่จะทําให้เราเวียนว่ายตายเกิด ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นคือกิเลสราคะโทสะโมหะแต่บันนี้เราได้กําจัดราคะโทสะโมหะออกจากใจของเราแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังศูญย์อย่างนิพพานสุขศูนอะไรศูญเชือ้อเชื้อคืออะไรเหมือนกับมเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวมันต้องมีเปลือกใช่ไหม มันมีเชื้อมันมีตามันมียางอยงเ่ยนมเมล็ดข้าวแต่ได้พอเราเอาไปแช่น้ําเข้าไปแล้วก็ไปหว่านไปปลูกมันก็เกิดแต่เดีพ๋พระพ่อตองค์มันเกิดเพราะอะไรเพราะมันมีเชื้อแต่ได้พระองค์ก็เอ า, มาเมล็ดข้าวมันเป็นกระทถอบเปลือกมันซะพอไปกระทถอบเปลือกเสร็จแล้วเอาไปนึ่งอีกต่างหากเถอะพอไปนึ่งเสร็จแล้วเอามาตากแดดทถเลยเอาไปปลูกแล้วมันปลูกไม่เกิดเลยเพราะอะไร เพราะเชื้อมันหมดแล้วเชื้อที่จะทำให้เกิดมันหมดแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเพราะพระองค์ได้กำจัดเชื้อคือเมล็ดข้าว เ, เชื้อกิเลส ท, ที่จะทำให้เกิดอีไปกำจัดออกแล้วจนบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสตัวไหนจะมารบกวนอีกต่านว่านิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังประมังสุญญ์อย่างสูญแล้วทำไมจึงสุข เพราะศูญเชื้อไม่มีเชื้อตัวไหนที่จะมารบกวนพระไทยของพระ อ, องค์อีกใจของ อ, องค์จึงบริสุทธิ์นี่แหละพระ อ, องค์มันมีที่ไปที่มานะ่ะเพราะฉะนั้นขอให้ครับคณะสงฆ์ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะตายแล้วไม่สุญนะตายแล้วเกิดอีกตามหลักของพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญให้นั่งสมาธินั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบเออ พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่เสาวหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ที่ไปปฏิบัติอยู่ป่าดงพงไพนั่งสมาธิภาวนาไปถามดูสิครูบาอาจารย์เชื่อไหมตายแล้วเกิดตายแล้วจูนโอยมาถามหลวงพอ่อหลวงพออง่อบอกตายแล้วเกิดอีกเนี่ยเพราะเหตุไรพราร่างกายของเราเนี่ยเหมือนเหมือนกับรถส่วนจิตใจคือนามธรรมาเหมือนกับคนขับรถรถ กับคนขับรถไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันใจกับร่างกายเหมือนนั่นแต่ร่างกายเหมือนกับรถส่วนนามธรรมคือคนขับรถแต่นามธรรมคืออะไรคือตัวรู้รู้เนี่ยเออคือวิญญาณใจผู้รู้รู้อ่านี้แหละตัวนี้แหะจะพาไปเกิดในวัฏจักรสงสารเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นแต่ร่างกายสังขารนี่แตกตายสลายแน่นอนเพราะฉะนั้นบอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ อย่าตั้งอยู่ในความประ ม, มาทแแห่เกิดมาแล้วตายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นเพื่อนคือความเที่ยงแท้แน่นอนที่สุดคือความตายนะแแห่พอใครเกิดมาแล้วเขาเขียนวีซ่าไว้ให้หมดล่ะใครเกิดมาเขาเขียนวีซ่าให้แล้วอีกวันดีคืนดีวีซ่าก็ส่งมาถึงมืองเราฮะพวกเราก็จะได้รับวีซ่าแล้วก็เดินทางต่างประเทศถึงขึ้นสง่งขึ้นเมนไปเกิดไปพบของใครของเราแล้วเพน่อนแต่ถ้าว่าใครนะ เออได้รับวีซ่าแล้วไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะไม่ได้สั่งสมคุณงามความดีไม่ได้สั่งสมบุญคุณส่วนเนี่ยเล้วหน้าเลี้วหลังเนี่ยเออโฟเงินไม่มีในกระเป๋าไม่ใช่ไหมล่ะเออไม่มีเงินในกระเป๋าเลี้ยวหน้าเล้ยวหลังน่ะเออกูไปกูจะไปยังไงตายแล้วถึงกูไม่ได้เตรียมการอะไรเลยเนี่ยกูไม่คิดว่าตายแล้วสูดอีกต่างหากกูคิดว่าตายแล้วสูดอีกต่างหากกูไม่ได้เตรียมในบุญกุศลไว้เลยเนี่ยเนี่แ ถ้าณว่าพวกเราได้เตรียมบุญกุศลไว้ในจิตในใจสั่งสมบุญกุศลอย่างพวกเรามาบำเพ็ญกุศลในวันนี้่แหละมาให้ทานรักษาศีลมาภาวนาอย่างวันนี้่หละเตรียมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราถ้าว่าพวกเราถึงข่าวแล้วเอายมมาทูตเขาส่งวีซ่ามาให้แล้วเราก็จะได้ไปแล้วเขาเนี่ยไปด้วยความมั่นใจแล้วแบบไปข้าวหน้าข้าพระเจ้าก็คงไม่ทุ่เพราะเหตุอะไรเพราะข้าวพเจ้าได้สั่งสมคุณงามความดี ไว้เต็มเปี่ยมแล้วแต่เพราะฉะนั้นขอให้คณะทธาญาติโยมเนิ่ น, น, า ท, าจจนทั้งอง์ทั้งต่สังสมคุณงามความดีหลวงพ่อคิดว่าจะพูดเพียงน้อยเดียวก็พูดจะยืดยาว